กราบบูชาพระัตนาตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความกราบมายังพระอาจารย์สันติ พ, พงศ์พระอาจารย์นภคุณขอโอกาสเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อ น, นุปฏิบัติธรรมทุกท่านเนาะก็นั่งกันตามปกติ วันนี้ก็เป็นเย็นของวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2557 <c oughs> ก็เป็นวันแรกของกลุ่มที่มาเจริญสติประจำเดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2557ก็มารวมกัน กับผู้ที่มาปฏิบัติอยู่เป็นประจําแล้วก็ผู้ที่อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะก็ถือว่าเราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะที่วัดป่าสุขโ ต, โตแห่งนี้ <c oughs> มาที่วัดป่าสุกโตก็ไม่มีกิจอย่างอื่นนะที่เราจะพึงกระทํานะนอกจากการเรียนรู้ นะเรื่องชีวิตจิตใจของเรานะด้วยการเจริญสตินะสำหรับคนที่เพิ่งมาครั้งแรกนะก็อาจจะแปลกใจแล้วก็สงสัยหนะรืองงๆอยู่ว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรกันยกไม้ยกมือนะเพราะว่าเราจะคุ้นชินนะกับการปฏิบัติธรรมที่ให้นั่งนิ่ง นะนั่งหลับตานะให้ส ง, งบแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรนะอันนั้นกเน็เป็นความเข้าใจหรือเป็นความอารูนะ้ที่ส่วนใหญนะ่เราจะคุ้นเคยกันแต่มาที่วัดป่าสุกโตนี่จะเห็นว่าทั้งพระทั้งโยมนะมีการเคลื่อนไหวนะไม่ได้นั่งนิ่ง นะซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไงนะเอ๊ะมันจะรู้ทันความคิดได้อย่างไงและทำอย่างนี้มันไม่ฟุ้งซ่านไปหรอนะนี่ก็เป็นคาถามที่มักจะพบกับผู้ที่มาใหม่ๆนะแล้วก็สงสัยจริงๆการเจริญสติ นะหรือว่าการปฏิบัติธรรมที่เราพูดกันโดยกว้างๆทั่วๆไปเนี่ยมันมีหลายวิธีนะในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะสรุปกันเน่นง่ายๆมีประมาณ4หรือ5วิธีซึ่งส่วนใหญ่นะก็จะเป็นวิธีการที่ให้เรานั่งนิ่งๆ น, น, นะแล้วก็หลับตานะแล้วก็มีการบริกรรมบ้างไม่มีการบริกรรมบ้างนะอย่างวิธีอานาปนสติ ก็ไม่ต้องมีคำบริกรรมให้มีความรู้สึกกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ยังมี <c oughs> วิธีการที่ใช้คำบริกรรมนะยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังนะหรือพุโทโธนะนี่ก็เป็นวิธีการที่มีอยู่แล้วก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่เราคงจะเคยผ่า น, นาวิธีการเหล่านี้มาแล้ว ซึ่งวิธีการทั้ง4วิธีที่กล่าวมาเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะให้ใจเนี่ยมันกลับมาอยู่กับแนวกับตัวนะให้ใจเนี่ยมันไม่ลอยไปกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งอันนั้นก็เป็นเป้าหมายนะเป็นวิธีการนะที่ครูบาอาจารย์นะท่านได้นําเอาวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ ได้กล่าวไว้นะในพระไตรปิฎกนะในหมวดสติปัฏฐานนะว่าด้วยมาสติปัฏฐานสูตรที่นี้ที่นี่เนี่ยวิธีการจะต่างออกไปนะเราจะใช้การเคลื่อนไหวไม่ต้องนั่งนิ่งๆไม่ต้องนั่งหลับตาถามว่าทำไมไม่นั่งนิ่งละ่ะทำไมไม่หลับตาละ่นะ อันนี้ก็เป็นเหตุที่เราต้องการที่จะให้ใจเนี่ยมันอยู่กับกายความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจากการที่ใจมันหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์นะเวลาเราคิดดีคิดไม่ดีนะมันก็มีความพอใจมีความไม่พอใจ นะมันมีสุขมีทุกข์นะบางทีก็คิดโลภคิดโกรธคิดหลงนะมันก็คิดกันไปนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปจมอยู่ในความคิดเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์ก็คือใจเนะี่ยมันไม่อยู่กับกายนะมันหลงไปในอารมณ์มันหลงไปในความคิดนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เลยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจไม่พอใจ ตรงนี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นการที่จะทํำยังไงให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นการเรียกให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวการใช้ลมหายใจก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ว่าลมหายใจเนี่ยมันเบานะและบางทีเรานั่งนิ่งๆิ่งสงบไปเนี่ยมันจะตกภวังมันจะหลับไปเลยถ้าสติเราไม่ชัด หรือไม่แรงพอนะแล้วเราก็ตกพวังนิ่งไปเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็สบายนะแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญานะเพราะนั้นสังเกตไนมะบางทีคนปฏิบัติธรรมมาตั้งหลายปีแต่ยังโกรธอยู่และบางทีดีไม่ดีโกรธมากกว่าเดิมอีกนะคนปฏิบัติธรรมบางคนหรือไม่ต้องว่าใครว่าจะตัวเราก็เหมือนกันนะบางทีเราก็ไปคิดว่าเออ เรานั่งสงบนิ่งๆนะสบายแล้วเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วนะจิตเราพัฒนาขึ้นแล้วแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันไม่ถูกใจขึ้นมาเราก็งุหงิดขึ้นมาเราก็โกรธขึ้นมา ท, าทันทีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้หรือว่ายังใช้ไม่ได้เต็มที่นะพูดง่ายๆก็คือสติเรายังไม่ได้พัฒนา เราเพียงแต่ไปจมอยู่กับความสบายความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้การปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาธรรมะของเราไม่ก้าวหน้าบางคนทำมาสามปีห้าปี1ิบปีก็ยังโกรธเหมือนเดิมนะตรงเนี้ยมันไม่เกิดปัญญามันไม่ได้แก้ไขเอ่อปัญหาหรือความทุกข์นะที่เกิดขึ้น ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้นาะที่กายที่ใจของเรานะการเคลื่อนไหวเนี่ยนาะเป็นสิ่งที่หยาบที่สุดนาะที่ใจเนี่ยมันจะรับรู้ได้ง่ายนะการเคลื่อนไหวมือก็ดีการเดินจงกรมก็ดีเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะปลุกความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่แล้ว ให้มันฉับไวขึ้นให้มันตื่นขึ้นนะแทนที่เราจะไปสงบสยบอยู่กับความไม่ต้องคิดอะไรความสบายนะชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่ได้เกิดปัญญานะเราก็เอาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยนะมาปลุกความรู้สึกตัวให้มันตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นกายเห็นใจของเราเนี่ย นะโดยเฉพาะเริ่มต้นจากเห็นกายก่อนเห็นกายคือเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวการเห็นนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่เห็นด้วยความรู้สึกตัวมันเป็นตาในเป็นตาใจเป็นตาที่สามนะที่เรามีอยู่แต่เราไม่ก็เห็นประโยชน์ของมันแล้วยังไม่เห็นความสาคัญของมันแล้วก็การศึกษาปัจจุบันเราไปใช้ความคิดกันซะมากเราก็เลยหลงลืม ของวิเศษนะก็คือตาใจนี่แหลนะเป็นตาวิเศษนะที่หลวงพ่อคำเขียนท่านชอบใช้คำคานี้ตาใจหรือความรู้สึกตัวเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมาดูกายของเรากายที่มันเคลื่อนมันไหวกายที่มันนิ่งนะที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยใจมันอยู่กับการเคลื่อนการไหวเนี่ย แต่ก่อนใจของเราเนี่ยมันหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์พอเรามาฝึกเนี่ยมันก็ต้องทวนกระแสหน่อยใหม่ๆมันก็ยากสักนิดนึงเพราะว่าเราเคยชินกับการที่เราจะคิดนั่นคิดนี่ใจมันก็ไปกับความคิดแต่พอเราเริ่มที่จะยกไม้ยกมือให้ใจมาอยู่กับการเคลื่อนการไหวมันก็ต้องมีการทวนกระแสกันหน่อยมีการฝืนกันหน่อยน้าใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ความรู้สึกตัวเป็นอย่างไงนะแต่ต้องอาศัยการทำซ้ำๆยกมายกมือเคลื่อนไหวนะซึ่งวิธีการนี้หลวงพ่อเทียนนะท่านเป็นผู้ที่นำมาเผยแพร่นะเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะจากการที่ประยุกต์เอาสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มานะแล้วก็เป็นประสบการณ์ของท่านตรงๆการที่เรามารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ย นะมันเป็นการปลุกความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นจากกายที่เคลื่อนไหวจากมือที่ยกไปยกมาเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้พิกก็รูนะ้เรียกว่ารู้บ่อยๆใหม่ๆมันก็รู้บ้างเผลอบ้างแต่เผลอเราก็กลับมารูนะ้มันยังไม่รู้ตลอดหรอกและการทำเนี่ยอย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะ คือจะตั้งใจอยากให้มันรู้ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้มันจะหนักนะมันจะเพ่งมันจะจ้องเกินไปนะเราก็ต้องรู้จากการผ่อนการคลายนะทำเอ่อเรื่อยๆนะให้รู้สึกตัวทีละขณะทีละขณะรู้บ้างเผลอบ้างเผลอแล้วกลับมารู้ให้ได้บ่อยๆรู้นี่รู้อะไรรู้การเคลื่อนไหวของมือแค่นั้นอะ่ะอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้นแ้วนะบางคนว่า เอ๊ะมันรู้อย่างไรมือมันยกขนาดไหนจะไวหรือจะช้าอะไรอย่างไรอั น, นั้นคิดมากไปและอย่าไปคิดมากการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจอย่าใช้ความคิดเลยใช้ความรู้สึกตัวจากหยับยาไปก่อนจากกายที่เคลื่อนที่ไหวไปก่อนทีนี้เราทําไปนานๆมันปวดมันเมื่อย อ, อันนี้ก็เป็นอาการของกายที่มันเริ่มมาให้เราเรียนรู้อีก ความปวดความเมื่อยก็เป็นธรรมดาเรานั่งนานๆมันก็ปวดมันก็เมื่อยนะใหม่ๆเนี่ยมันก็ทนไม่ค่อยได้หรอกนะแต่เราลองทนดูสักนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนลองดูซิมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาถ้ามันปวดมากๆใจมันจะหงุดหงิดใจมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยกายกับใจมันก็ส่งผลถึงกันนะเราก็จะได้เรียนรู้ ถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากกายกับใจทีนี้ถ้าเราวางใจดีๆนะทำใจสบายๆซะกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยแต่ใจเราเฉยๆได้ไหมถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยนะเราสามารถที่จะไปใชนะ้ในเวลาเราเจ็บปว่วยหรือเวลาอุบัติเหตุได้ด้วย แล้วจริงๆเนี่ยกายกับใจมันเป็นอิสระต่อกันแต่ความที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นการเป็นอิสระนี่แหละมันก็เลยเอาไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันพอปวดเมื่อยมันก็ไปหงุดหงิดมันก็รู้สึกไม่พอใจอ่ามันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วทีนี้เราลองทนดูนะใช้ขันตินะสติยังไม่มีใช้ขันติไปก่อนนะลองทนดูนะถ้ามันทนไม่ไหวจริงๆ เปลี่ยนได้นะแต่ก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยให้รู้สึกตัวก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนทันทีนะอย่างน้อยๆให้มันขอเราสักสองครั้งหรือสามครั้งในใจนะเมื่อยแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วตายแน่ตายแน่แนอ่ะมันจะมีอุทธรมาแล้วบอกเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำต่อไปก่อนอันนี้ก็คือฝึกสตินะรู้จักยับยั้งชั่งใจนะกับกายที่มันปวดมันเมื่อย หรือย่างตอนนี้อากาศหนาวอากาศเย็นนะเราก็รู้สึกนะเราก็บางคนทนไม่ได้อากาศหนาวอากาศเย็นรู้สึกทรมานออันนี้ก็ให้เรียนรู้มันนะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกายเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเรียนจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยทีนี้บางทีขณะที่ยกไปยกมาเนี่ยนะ มันก็มีคิดแวบๆขึ้นมาคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงที่ทำงานบ้างคิดถึงพ่อแม่บ้างคิดถึงลูกบ้างเออมันแวบไปแวบมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้เรียกว่าความคิดมันคิดขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้มาดูมันคิดอะไรแล้วเราก็เตลิดเปิดปิงไปกับมันนะบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจ บางทีก็สุขใจพอใจไม่พอใจต่อไปนี้เนี่ยขณะที่เราเคลื่อนมือสร้างจังหวะก็ดีขณะที่เดินจงกรมก็ดีถ้ามันคิดแวบอะไรขึ้นมาทิ้งไปเลยทิ้งความคิดไปเลยกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ตรงนี้ก็คือการหัดปล่อยหัดวางเขาเรียกว่าการปล่อยวางการปล่อยวางเนี่ยเราไปอ่านหนังสือก็บอกให้ปล่อยวางนะอย่าไปยึดไปถือ ไอ้นั่นมันเป็นความจําแล้วการปล่อยวางโดยคิดเอาอะ่ะมันไม่ใช่ของจริงของจริงคือมันคิดแว บ, บขึ้นมาเราไม่สนใจความคิดเลยสนใจสิ่งที่เราทําอยู่เฉพาะหน้าขณะเนี้ยขณะยกมือขณะเดินจงกรมขณะสร้างจังหวะมารูา้ตรงนี้นะตรงเนี้ยความคิดบางอันมันก็แรง มันก็มีกําลังบางทีมันก็ไม่ทันก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันมันก่อนคิดสักสิบเรื่องเนี่ยมันจะรู้เรื่องที่สิบก็ยังดีกว่าแต่ก่อนคิดสิบเรื่องไม่รู้ทันสักเรื่องเลยแลเราจะเริ่มเรื่องที่สิบรู้ทันเรื่องที่สิบทาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้ทันเรื่องที่เก้ามันไม่ถึงไม่ถึงเรื่องที่สิบแล้วแล้วมันจะค่อยๆหดสั้นเข้าหดสั้นเข้าความคิดเนี่ย นั่นก็คือสติมันมีมันมีพลังมันมีความไวขึ้นนะทำไปบ่อยๆทำซ้าๆอยู่อย่างเงี้ยจนสุดท้ายเนี่ยคิดปุบลูปับคิดปุบลูปับตรงนี้เป็นอัตโนมัติซึ่งตรงนี้มันจะใช้การได้แล้วความรู้สึกตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่คอยดูแลจิตใจของเราไม่ความคิดเข้ามาครอบงมได้นะเขาเรียกว่าเป็นตัวปกป้องเป็นตัวตรวจสอบ สิ่งที่จะเข้ามาในจิตใจของเราแต่ก่อนมันไม่เคยมีนะไม่เคยมีคนที่จะมาตรวจสอบมาคอยดูแลเพราะฉะนั้นสุขก็เอาทุกข์ก็เอาพอใจก็เอาไม่พอใจก็เอาโกรธก็เอาหมุดหงีดก็เอามันเข้ามาอยู่ในใจเราหมดเลยแล้วมันก็สร้างความเคยชินคนไหนจะเป็นคนขี้โกรธเนี่ยมันเริ่มจากโกรธเล็ก ๆ, ๆน้อยๆก่อน แล้วพอโกรธบ่อยๆนะมันจะเคยชินที่จะโกรธมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวตัวนี้มันจะถอนกําลังของความคิดถอนความโกรธถอนอารมณ์ต่างๆลงไปได้นะตรงเนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะปล่อยวางชําระล้างความเคยชินเก่าๆนะที่จะทําอะไรไปตามความคิด ทำอะไรไปตามอารมณ์นะโดยไม่มีการยั้งคิดเพราะนั้นตัวสติเนี่ยจะเป็นตัวคุ้มครองใจให้เป็นปกติเป็นปกติอยู่เสมอความเป็นปกติของใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยตามธรรมชาติขณะที่เรานั่งฟังตอนนี้ถ้าเราไม่งกง่วงเราไม่งุดหิดเราไม่คิดฟุ้งซ่านนั่นคือใจเราปกติให้สังเกตดูดีๆใจตรงนี้นี่แหละที่มันหล่อเลี้ยงนะ ให้เรามีชีวิตมีชีวาให้เราดำรงอยู่ได้ถ้าเราพอใจไม่พอใจสุขหรือทุกข์ทั้งวันเนี่ยมันบ้านะมันมันอยู่ไม่ได้คนเป็นโรคประสาทคนเป็นบ้าก็พออย่างนี้เพราะว่าใจมันกลับมาสู่ความเป็นปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสตินะตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำพานะ ให้ใจเราคืนสู่ความเป็นปกติไม่หลงไปในความคิดไม่หลงไปในอารมณ์นะไม่หลงไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆนะตรงนี้จะเป็นการถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ เ, ออเกิดขึ้นจากการที่เราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำในรูปแบบให้ทำให้มากๆ นะกลุ่มที่มา7วันก็ดี5วันก็ดีให้ทำให้มากๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจริญสติบ่อยๆมันจะเห็นสิ่งที่หยาบๆก่อนคือกายที่เคลื่อนที่ไหวแล้วก็ไปเห็นเวทนาคือความรู้สึกปวดเมื่อยความร้อนความหนาวนะแล้วก็ไปเห็นจิตที่มันคิดนึกนะคิดนึกเรื่องสารพันะนะแล้วก็ไปเห็นธรรมชาติ นะของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราบางทีก็เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเรียกว่ากุศลธรรมสิ่งที่เป็นไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเรียกว่าอากุศลธรรมหรือแม้แต่ความง่วงเหงาหานอนนะนี่เ็าเรียกว่านิวรณธรรมนะเป็นธรรมที่จะแสดงที่ปรากฏให้เราได้เห็นได้เห็นและเราก็ไม่เข้าไปอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านี้ เพราะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็เห็นของจริงความจริงปรากฏการที่มันแสดงออกมาการเห็นธรรมะไม่ใช่เห็นเรื่องอะไรเลยเห็นตรงเนี้ยบางคนไปคิดฝันว่ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติแล้วจะเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างนั้นบนท้องฟ้าใต้ดินอันั้นไม่ใช่แล้วมันเพอ้อฝันไปละนะ เห็นของจริงก็คือเห็นที่มันสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะกายที่มันเคลื่อนมันไหวความปวดความเมื่อยความพอใจไม่พอใจนี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะกับสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะอย่างทางลิ้นเนี่ยเรากินอาหารเนี่ยอาหารอร่อยเราก็พอใจอาหารไม่อร่อยก็ไม่พอใจ นะเราไม่เคยเลยที่จะกินแล้วก็มันก็อร่อยนะแต่ใจมันเฉยๆตรงนี้เราไม่เคยได้สัมผัสกันเพราะฉะนั้นเราก็ติดในรสชาตนะิแล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการเจริญสติมันจะช่วยทําให้ปรับสมดุลของใจและของกายนะไม่ให้มันฟูๆแฟบๆนะโดยเฉพาะใจฟนะูเมื่อเราได้สิ่งที่เป็นความสุขเป็นความพอใจ ใจแฟบเมื่อไม่ได้สิ่งที่เราไม่พอใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราได้ไดเห็นการเห็นนามะ ก, ก็คือเห็นตรงนี้การปฏิบัติธรรมก็มีจุดประสงค์ตรงนี้หน้าที่จะให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราเมื่อเราอยู่ในโลกสัมผัสกับโลกเพราะฉะนั้นการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะมันจะมีเาเรียกว่าอุปสรรค จริงๆไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ได้นะคือความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความลำคาญอะไรต่างๆสิ่งเหล่าเนี้มันจะมามาขวางกั้นคนที่ไม่มีกำลังเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเป็นอุปสรรคเช่นความง่วงเนี่ยมันมาทำให้เราไม่อยากยกมือยกมือทีไรก็ง่วงทุกทีและยิ่งจะตอนคำคำอย่างเงี้ยง่วงเลยเพราะนั้น ถ้าเจออาการเหล่านี้ให้พยายามปลุกตัวเองยกมือให้ไหวขึ้นเร็วขึ้นปลุกตัวเองแล้วอย่าหลับตาถ้าหลับตาคือทอดสภานี่กับความง่วงถ้านั่งแล้วมันยังง่วงอยู่อีกทาไวๆมันก็ยังง่วงอยู่อีกมันไม่ยอมตื่นลุกขึ้นเดินนะเดินเลยเดินจงกรมเลยให้มันรู้ไปถ้าเดินมันยังง่วง ก็ต้องแก้โดยการเดินให้เร็วขึ้นเดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะอันนี้ก็จะแก้อารมณ์ในการที่จะแก้ง่วงได้เราก็จะเรียนรู้เลยความง่วงความตื่นความง่วงความตื่นมันพลิกไปพลิกมานะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นความง่วงความฟุง้งซ่านนะความคิดที่ฟุง้งซ่านอยู่ที่บ้านไม่ได้คิดขนาดนี้เลยโอ้โหมาที่นี่มันทำไมคิดเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะเลยนี่คือ เรามาอยู่ในที่สงบเนี่ยที่นี่สงบและเราก็ไม่ได้มีการมีงานอะไรมีแต่การมาเรียนรู้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นความเคยชินที่มันคิดเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเลยบางทีเป็นเรื่องสมัยเราเด็กๆบางทีก็เป็นเรื่องเก่าๆมันผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันผุดขึ้นมาไม่ห้ามนะความคิดไม่ห้ามแต่ไม่ตามคิดขึ้นมาเท่าไหร่กลับมารู้สึกตัวให้ได้เท่านั้นหลวงพ่อเทียนย้ยคำว่า ยิ่งคิดยิ่งรู้รู้นี่คือรู้สึกรู้ทานมันและไม่ตามมันนะไม่ห้ามความคิดจะไปห้ามก็คือไปกดมันเนี่ยนะไปกดเนี่ยถ้ากําลังสมาธิเรามีพอมันอาจจะกดอยู่ได้แต่เดี๋ยวพอเราเผลอเมื่อไหร่มันจะพุ่งขึ้นมาเลยบางคนเนี่ยกดเอาไว้ตอนกลางวันเนี่ยพอไปนอนเนี่ยมันฝันกระเจิงเลยเพราะฉะนั้นให้มันผุดขึ้นมาแต่เราไม่ได้ไปไปไปคิดให้มันผุดนะ ให้มันแสดงว่ามันโดยธรรมชาติของมันแต่เราไม่ตามมันความคิดความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันมันจะมันจะลื่นไหลของมันเองมันเป็นเหมือนกระแสน้ำเนี่ที่มันจะไหลไปไหลไปแต่ตอนนี้เรามีความรู้สึกตัวที่กายอยู่เนี่ยมันจะไม่ไหลไปตามกระแสความคิดแล้วมันจะเริ่มอยู่กับที่มันเริ่มทวนกระแสได้เพราะนั้นเราจะมีเครื่องมือแล้วแต่ก่อนเราไม่มีเครื่องมือถึงเวลานอน ก็ยังคิดใช่ไหมแต่ต่อไปนี้พอถึงเวลานอนเราปิดปุ๊บเรากลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยกับกายของเราเนี่ยมันจะหลับปิ้งไปเลยหลับสบายไปเลยนะความคิดเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงความคิดมีสองแบบนะ 1. ความคิดที่ตั้งใจคิดอันนี้คิดทําการทํางานคิดจบแล้วเราก็วางไม่ค่อยมีปัญหาแต่ความคิดที่มีปัญหาคือคิดจุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นคิดโดยไม่มีเจตนาจะคิด มันคิดขึ้นมาไอตัวเนี้ยทาให้เราเสียพลังงานมากและเดี๋ยวเราฝึกปฏิบัติเนี่ยมันจะเจนทั้งสองความคิดเนี่ยนะทั้งตั้งใจบางคนเนี้ยมาปฏิบัติเนี่ย โ, โหโปรเจกต์ใหม่ๆคิดไม่ออกมันเกิดความคิดปิง๊งกันมาเลยแต่ไม่เอานะทิ้งให้หมดคิดอะไรดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาตั้งใจคิดก็ไม่เอาไม่ตั้งใจทิ้งให้หมดเลยทิ้งเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการปล่อยการวางแล้วก็ให้ความรู้สึกตัวมันเด่น ใจเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทีละอย่างถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับความคิดเราจะไม่รู้ตัวละวเราลืมตัวละแต่เมื่อไรก็ตามที่มันคิดแล้วเราปล่อยวางความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมานะใจเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกตัวคอยคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นมาฝึกที่นี่ทําอย่างเดียวเท่านั้นแนหะแต่ทําซ้ําไปซ้ํามาอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ไหนรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนอย่าพึ่งไปสนใจ หรือไปดูความคิดเพราะว่าถ้าสติเรายังไม่ชัดเนี่ยมันจะไหลไปในความคิดไหลไปในอารมณ์เพราะมันมีกำลังมากตอนนี้เรากลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนตรงนี้เพื่อให้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันมีพลังมันมีกำลังมากก่อนและเดี๋ยวมันจะไปจัดการไปจัดระเบียบความคิดนะหลวงพ่อเทียนใช้การเปรียบเทียบว่าความคิดเนี่ยนะเหมือนหนู สติเหมือนแมวแมวกับหนูเนี่ยมันเจอกันทีไรมันจะต้องจับตะคุบกันเรเรียกว่ามันเป็นคู่ปฏิปักษ์กันใหม่ๆเนี่ยหนูมันตัวใหญ่แมวมันตัวเล็กเวลาแมวมันเจอหนูเนี่ยมันจะไปตะคุบจับหนูเนี่ยหนูมันลากไปเลยแมวมันไม่มีกําลังเพราะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวทำไงให้แมวมันตัวใหญ่ก็ต้องให้อาหารมันเหมือนกัน เดิมความคิดเนี่ยมันแรงนะเราพยายามที่จะควบคุมดูแลมันแต่เราควบคุมไม่ได้สติเรายังอ่อนอยู่ความรู้สึกตัวเรายังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องให้ให้อาหารกัดสติการให้อาหารกัดสติก็คือการที่เรามารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวทําตรงเนี้บ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกสติมันก็จะมีความไวขึ้นมันจะไวแล้วมันก็จะมีขนาดเรียกว่าจากสติธรรมดากลายเป็นมหาสติขึ้นมา มันจะทันกับความคิดอย่างเปรียบเทียตกี้เนี่ยคิดสิบเรื่องเราไม่เคยรู้เลยสักเรื่องหนึ่งแต่พอเราเริ่มฝึกเนี่ยพอคิดสิบเรื่องมารู้ทันเรื่องที่สิบละทําไปทําไปรู้ทันเรื่องที่9เรื่องที่8ดเรื่องที่7สุดท้ายคิดปุ๊บรู้ปับไอเนี่ยมันจะเริ่มทํางานนะสติมันจะเริ่มทํางา น, น, า น, งานแล้วมันจะเข้าไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราละเอียดอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความเพียรทุกท่านมาที่นี่มีความศรัทธาที่อยากจะมาเรียนรู้ศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องเพียรลงไปทาลงไปและความเพียรเนี่ยต้องอาศัยความอดท น, นมีขันติมันง่วงยังไงเราก็ไม่ยอมหลับกลางวันเนี่ยไม่นอนแต่กลางคืนต้องนอนนะ มาปฏิบัติเนี่ยกลางวันเราจะไม่นอนเลยมันจะง่วงขนาดไหนเราก็จะไม่นอนเราจะไม่แอบไปนอนที่กุฏินะฮโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่มาปฏิบัติเนี่ยนะท่านอาจารย์ธงศิลจะจะให้เราออกมาจากกุฏิตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วไม่กลับเข้าไปกุฏิเลยนะเพราะว่าที่กุฏิเนี่ยถ้าเรากลับไปโอเอโอเอเนี่ยเดี๋ยวมันจะชวนชวนให้นอนยิ่งอากาศอย่างงี้สบายสบายให้เดี๋ยวนอ น, น, น, อ น, น, นอนแน่นอนถ้านอนเราจะเสียเวลานะเพราะฉะนั้น เราพยายามที่จะฝืนฝนะืนความเคยชินเก่าๆโดวยเฉพาะความง่วงความเบื่อบางคนพอเบื่อแล้วก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเบื่อก็ทําไม่เบื่อก็ทําง่วงก็ทําไม่ง่วงก็ทําทําให้มันต่อเนื่องคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาใช้ไม้สีสีกันเพื่อให้เกิดไฟเนี่ยเขาจะต้องสีจนต่อเนื่องจนมันพลึบเป็นไฟขึ้นมาการเจริญสติของเราก็ต้องทําให้มันต่อเนื่อง ไม่ได้ทำทำหยุดหยุดทำตามอารมณ์ขยันก็ทำขี้เกียจก็ไม่ทำไม่ได้ขยันหรือขี้เกียจก็ต้องทำนะโดยเฉพาะการทำในรูปแบบนะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยแต่ว่าเราจะทำในรูปแบบตลอดเวลาคงไม่ได้หรอกนะเราก็ทำในช่วงเวลาที่เราเป็นกลุ่มเนี่ยนะทีนี้นอกเวลาของการทำในรูปแบบเช่นเราจะเดินไปสาราหน้า ไปทานอาหารเนี่ยก็พยายามปลีกตัวอย่าไปคุกคีกลุ่มมากหรือชวนพูดชวนคุยต่างคนต่างเดินไปเดินไปด้วยความรู้สึกตัวนะแล้วก็พอไปถึงที่นั่นเนี่ยในนั่งเนี่ยยกมือยกไม้ยกมือเลยอย่าไปนั่งคุยกันนะที่สาราน้าเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาทําบุญมาอะไรบางทีเขาก็คุยกันบ้างอะไรก็เป็นเรื่องของเขา นะหรือคนวัดบางคนก็คุยก็เป็นเรื่องของเขาแต่คนเป็นกลุ่มเนี่ยอย่าไปคุยเรามีเวลาน้อยเราใช้เวลาให้มันคุ้มค่ากับการที่กลับมารู้สึกตัวอยู่ที่นี่เนี่ยคุณยกมือคุณเดินจงกรมไม่มีใครเขาว่านะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอายไม่เดี๋ยวใครเขาจะว่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะที่นี่เนี่ยไอเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยถ้าเรานั่งนิ่งๆดิมันจะไม่เรื่องไม่ไม่ไม่จะกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไป นะเรายกไม้ ย, ยกมือแล้วก็รู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวขณะที่จะไปตักอาหารเนี่ยลุกไปด้วยความรู้สึกตัวไปตักอาหารก็ประมาณอาหารว่าควรจะรับประทานสักเท่าไหร่ตักให้มันพอเหมาะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน้อยเกินไปไม่พอกินมากเกินไปเหลือไปทิ้งอีกโอ้ทิ้งนี่บาปกรรมนะใครตักอาหารไปแล้วไม่กินนะแล้วไปทิ้งนะบาปกรรมนะ เพราะเขาทำบุญมาะฉะนั้นต้องประมาณให้ดีเนี่ยเป็นสติตักมานั่งรับทานอาหารเอากะละมังวางไว้นอกเสืออย่าไปวางในเสือเพราะกินแล้วเดี๋ยวมันจะตกมันจะเลี้ยลาาแล้วมันจะทำให้เสือเป็นลาเวลากินก็ตักกินทีละคำแต่ไม่ต้องไปรีบร้อนเรามีเวลาเยอะลองดูซิเคี้ยวหนึ่งคเนี่ยกี่ครั้ง นะถ้าเคี้ยวริบรีบรี บ, รบเนี่ยมันก็นะเรียกว่าทําแบบไม่มีสติลองเคี้ยวค่อยๆยเคี้ยวไปเรื่อยๆคำหนึ่งสักสี่สิบห้าสิบคำลองดูตอกครั้งคํานึงเนี่ยตอกครั้งประมาณสี่สิบห้าสิบครั้งเนี่ยแล้วลองสัมผัสรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจืดมันเคยสัมผัส ต, ตรงนี้ไหมอันนี้เราฝึกสติได้กับการรับทานนะเรียกว่าพระนี่เ้าเรียกว่าฉัน นะถ้าเรารีบตักกินอึ๊กอๆ๊กอไปนี่มันไม่ใช่ฉันแล้วไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วบางทีก็กินทิ้งเลี่ยรดตกเลี่ยร า, รยรานะอันนี้ก็คือไม่มีสตินะกินเสร็จเอาตะลามังเอาถาดไปล้างล้างด้วยสติใจอยู่กับการล้างเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าเราพยายามที่จะเก็บตกจากสิ่งที่ทำอยู่ ไม่ใช่เราจะมานั่งยกไม้ยกมืออย่างนี้ได้ทั้งวันเราทําไม่ได้แต่เราพยายามฉวยโอกาสกับสิ่งที่เราทําอยู่บางส่วนอาจจะช่วยกันถูพื้นกวาดศาลาล้างห้องน้ำนะก็รู้สึกตัวไม่ใช่ทําไปคุยกันไปอะไรกันไป น, นั่นไม่ไม่รู้สึกตัวละหรือบางทีกินไปคุยไปโอ้โอันี้ยิ่งไม่มีความรู้สึกตัวเลยดีไม่ดีนะเดี๋ยวข้าวมันไปติดหลอดลม อ, นะอันตรายนะเพราะนั้นสังเกตนะ เวลาพระท่านฉันเนี่ยท่านจะเงียบๆนะต่างคนต่างฉันแตนะ่พวกเราก็เหมือนกันเวลาเราไปกินเนี่ยเราก็ต่างคนต่างกินกินเสร็จเราก็ไปล้างล้างเสร็จแปลงฟันนะแล้วก็อาจจะช่วยงานส่วนรวมนะด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้หรือเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวพอเราเลิกจากตรงนี้เราฝึกปฏิบัติถึงประมาณสองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มก็แล้วแต่เดินกลับไปกุฏิเนี่ย ใช้ไฟฉายเนี่ยด้วยสติไม่ใช่เอาไฟฉายไปส่องข้างบนต้นไม้นะพวกสัตว์เขานอนหลับกันนะ้ายฉายไปตามทางเดินไปด้วยสติระวังจะไปเหยียบหอยทากบ้างดีไม่ดีไปเจอแมงป่องบ้างตะขาบบ้างนะเนี่ยก็ต้องมีสติในการเดินกลับไปถึงกุฏินะก็ทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยเข้านอนด้วยสติไม่ต้องไปคิดอะไรแล้ว เรื่องอะไรทั้งหลายพรุ่งนี้จะทำอะไรช่างมันทิ้งไปก่อนนะนอนด้วยสตินะไม่ต้องไปคิดอะไรถ้านอนไม่หลับจริงก็อ่ะยกมือเล่นก็ได้หรือเล่นลมหายใจก็ได้นะจนมันหลับไปเลยเนี่ยก็นอนด้วยสติพรุ่งนี้เช้าตื่นมารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวกับตัวที่กำลังนอนอยู่เนี่ยนะพลิกมือเล่นก็ได้หรือใช้ลมหายใจก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาพับ ถ้าห่มที่หลับที่นอนให้ดีเนี่ยก็มีสตนะิกับสิ่งที่เราทำนะแล้วก็ค่อยๆลุกไปล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวเคยไหมบางทีเราแปลงฟันเราคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นต่อไปนี้เนี่ยถ้าแปลงฟันมันคิดแวบไปเนี่ยเอ๊ะกลับมาตรงนี้กลับมาตรงที่เราแปลงฟันนี้คิดไปกลับมาตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเราประยุกตและประยุกต์กับการที่ กับชีวิตประจําวันอันนี้ก็จะเป็นสติกับการแปลงฟันเคลองน้ําขับถ่ายด้วยความรู้สึกตัวซึ่งอันนี้มันมีในพระไตรปิฎกจริงๆนะพระเจ้าท่านพูดไว้ละเอียดละออมากก้อยมีสติกับการขับถ่ายนะกับการทํากิจวัตรต่างๆกับการเดินการยืนการนั่งการนอนให้มีสติรู้กับสิ่งที่ทําอยู่เฉพาะหน้านั้นเราจะไปทําเฉพาะในรูปแบบเนี่ยมันไม่พอ นะและเราไม่สามารถที่จะทำในรูปแบบได้ทั้งวันถ้าทำอย่างนี้มันจะทำให้สติของเรามีความต่อนเนื่องตั้งแต่ตื่นยันหลับอาจารย์ภพศาลเคยสมัยที่ท่านไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนใหม่ๆถามว่าจะต้องฝึกตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นเวลาราชการ8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อเทียนบอกตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยวะโอ้ย ตื่นยันหลับทาไงเราจะมานั่งยกไม้ยกมือทั้งวันเหรอมันคงเป็นไปไม่ได้เราก็เก็บตกจากกิจวัตรประจําวันหลังจากเลิกกลุ่มไปแล้วเราก็ไปพยายามเก็บตกในกิจวัตรประจําวันการเดินการนั่งการนอนการกินการขับถ่ายการนุ่งห่มนะทุกอย่างเลยนะตรงเนี้มันจะทําให้การเจริญสตินั้นมีความต่อเนื่อง ต่อเนื่องแล้วมันจะเกิดอะไรมันก็จะความรู้สึกตัวมันก็จะตื่นตัวได้ได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะอย่างที่ในประไตรปิกท่านก็นพูดไว้ชัดว่าถ้าจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร้าที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันเนี่ยอันที่สองที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นพระอารหันต์หรือเป็นพระอนาคามี แต่เราไม่ต้องเอาตรงนั้นหล่กนะเอาว่าความทุกข์ในใจมันลดลงก็เอาละหลวงปู่เทียนนั้นมีประสบาการณ์สอนคนมาเป็นพนัพนๆนคนจากประสบาการณ์ที่ท่านสอนวิธีการเนี่ยท่านบอกว่าเอาอย่างนานเนี่ยนะสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงเกสิบวันความทุกข์มันจะลดลงท่านท้าพิสูจน์ไว้ยอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งเชื่อลองพิสูจน์ดู ภายในเจวันเนี่ยเคยหนักอกหนักใจอะไรขึ้นมาเนี่ยลองดูสิมันจะปล่อยจะวางได้แค่ไหนแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นทํามันไปเรื่อยๆนะทาไปเรื่อยๆขยันที่จะทําทมีความเพียรมีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนแล้วก็มีความแยบคายในการที่จะฝึกปฏิบัติแยบคายก็คือมีสติกับการเคลื่อนไหว ในรูปแบบทําให้มากๆแล้วก็เก็บตกกับกิจวัตรประจําวันตรงเนี้มันจะทําให้เกิดความต่อเนื่องนะก็เรียกว่าให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องนี่เช่นเห็นมีกลุ่มบางกลุ่มมาเนี่ยขณะที่ปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยตั้งใจกันดีดีนะแต่พอบอกหมดเวลาปุ๊บเละเข้าหากันเลยคุยกันใหญ่เลยวุ้งยิ้งยุงยิงยิ ง, ย ง, ยงสิ่งที่ฝึกมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะ หายหมดเลยสติเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากอะถ้าเรามาคุยกันนิดเดียวหรือมาคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้วิภาควิจารณ์กันอะไรอย่างเงี้ยมันหายหมดเลยมันเหมือนกับตุ่มเนี่ยเราเอาน้าใส่เข้าไปมันเต็มตุ่มเนี่ยพอเรามาคุยกันเนี่ยรูรั่วเลยเพราะฉะนั้นการเจริญสติที่จะให้ได้เกิดผลจริงๆเนี่ยต้องต้อง เ, ออเรียกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อย พูดให้น้อยหน่อยแล้วถ้าไม่พูดได้ก็จะดีถ้ามันไม่จําเป็นจริงนะโดยเฉพาะคนที่มาด้วยกันหลายๆคนเนี่ยพยายามปรีกวิเวกให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับเพื่อนพยายามอย่าพูดอย่าคุยเรื่องพูดเรื่องคุยนะตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดรูรั่วแล้วมันจะขาดช่วงโซ่ที่เราทํามาเนี่ยนาะโซแห่งสติเนี่ยมันจะหลุดหลุดแล้วต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ก็มันก็เนิ่นช้าหน่อย แล้วก็ใช้เวลาหน่อยกว่าจะเริ่มต้นเดราะวถาคนที่คุยกันเก่งๆหรือเป็นคนช่างคุยเนี่ยโอกาสที่จะมีสติตื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยบอกอ้าวก็พูดก็มีสติได้ไม่ใช่เหรอได้แต่ว่าเราอย่าพึ่งไปประมาณนาะนะขณะที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่แน่ใจอย่าไปอย่าไปอย่าไปใช้นะพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวพูดน้อย แต่ทํามากๆนะทำทั้งในรูปแบบทําทั้งนอกรูปแบบแล้วลองดูซิเจวันมันจะเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งไปคาดหวังมันทําไปเรื่อยๆนะอย่างที่อาจารย์ธงศิลปนี่ก็พูดไว้ว่าทํานี้ไม่ได้หวังอะไรมีแต่การปล่อยการวางนะไปหวังไปบางทีหวังมากเครียดมากจะเอาจริงเอาจังโหมทีมันก็หนักนะนะตึงบางคนก็อยู่ไม่ได้เลย กะมาเจ็ดวันอยู่สัก2วัน3วันขอลากลับนะอ้างเหตุ น, นู่นเหตุนี้อันนี้เพราะว่าเราบางทีตั้งใจเคร่งเครียดเกินไปนะ น, นี่ก็ต้องรู้จักการผ่อนการวางบ้างนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะอยากจะนำเสนอให้กับคนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดนะีที่เรามาร่วมกันใช้ชีวิตในการ เ, าเจริญสติที่วัดป่าสุกโต นะแล้วก็อาตมาก็มีความเชื่อว่าความตั้งใจของพวกเราความศรัทธาของพวกเราความเพียรของพวกเราเนี่ยนะจะเป็นเป็นผลนะให้เราเนี่ยนะได้มีออสตนะิได้มีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลมันจะเกิดเป็นยังไงก็แล้วแต่มันนะถ้าเราทำถูกต้องเหมาะสมผลที่เกิดขึ้นมันก็จะ ทำให้เราสัมผัสกับความเป็นปกติาของใจได้บ่อยๆซึ่งเป็นสุขที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นสุขที่มีอยู่แล้วในใจเราไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนแล้วอันนี้แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเราไม่ต้องไปพึ่งหมอดูไม่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายตัวเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือใจที่ปกติพึ่งตรงนี้นที่เรียกว่าพุทธพรธรรมพระสงฆ์คือตรงนี้นี่เอง ก็ในท้ายที่สุดนี้นก็ขออนุมโมทน า, นากับทุกท่า น, นาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตก็ขอให้ความตั้งใจความศรัทธาความเพียรพยายามของทุกท่า น, นาในการที่จะมาเจริญสติเรียนรู้กายใจของเร า, าได้ประสบพบเห็ น, นความเป็นปกติของใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร